มแล้วก็เริ่มมาทำอาหารค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็ขอเบอร์แล้วอกว่าโรบอกติดหน่อยนะแลวหลังเนี่ยก็ติดต่อไปทางค่ายจานมาขึ้นเลยค่ะขึ้นไปกับแม่เพื่อนกับเพื่อนสามคนพอไปถึงที่ก็ก็เอาอาหารค่ะปกติเนี่ยจะต้องแบบบุริกูจอที่จะไปถอยด้วยกันเพรอาบุทพี่ก็เห็นไปทัางวนก็งงๆไว้ลำพี่ไปด้วยกันจิบอกไหมพี่จันอ่ะ ไม่อย่างนี้เลยก็อกไหมตอนต้องไปอะไรอย่างนี้ไปหึงเนี่ยพอาจารย์อยู่หลังตัวที่กำลัเต็มอยู่ที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรอำไมแม่บอกมาทำไมหนาดุไม่เคยเห็นพอาจารย์หน้าดุทำไมเราไม่กลัวเราไม่รู้สึกว่าอินไซด์เราไม่ได้มองแต่ไกนายน่าอาหารมันถวายฉังหายเองได้ไม่ต้องแต่เราก็ยังวางไว้แบบนั้นนะแต่ที่สุดเนี่ยคือความเมตตาแล้วก็เอาอ่าน การเข้าตาผมมันจะโปรยเศษไปแล้วก็ทนแล้วจะบอกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราชอบจำมาแล้ว ถ, าถาวายบังคำบานอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบเขนชอบอะไรอย่างเงี้ยเอามาถาวายครูบาบอาจารย์เขียนชื่อบนโทรศพัพท์ไว้แล้วไปเอาคืนที่ติดตามนะอะต่ออาทิตย์แรกของข้าวาพรรษาไปเอาเลยนะพอหลังพอวันนี้ว่าข้ารรษาปุเรา่ออาทิตทยนี้ไปเลยแล้วก็ไปกับหลานกับเพื่อน เราไปถวายพระจารแต่ตอนนั้นเด็กก็เป็นไทลอยแล้วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นไทลอยแล้วก็เป็นปแบบกระตีใช่คือผอมแล้วก็หมดแรงเขไม่รู้ว่าทําไมแเวลาไปห้องน้ำโดนน้ำอย่างนี้นเป็นห้านาทีนะห้านาทีถึงจะแบบลงไปได้แล้วมันก็ในระหว่างมันก็ปวดมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยไอโถงมันจะมีเฉะคนที่ผ่อนข้างหน้านะคนที่อันดิที่เป็นนิติการหรือคนแก่ ก็ไม่รู้เจะหลังไปเนี่ยน้องสาวเพื่อนเขาเป็นเดียบาร์ก็ได้อยู่เป็นตัวก็แล้วถ้าจะทำอย่างนี้ยื่นมือนะมือมันจะสั่นไงค่ะคนที่เป็นไทลอยเนี่ยมันจะคอนโทรไม่ได้มือมันจะสั่นก็ไปตรวจเพื่อนต้องพาไปตรวจมันให้ตรวจทุกอย่างเลยแต่มันไม่เสียตางค์ไม่เสียตังค์ไม่ไปเงินกว่าตรวจเคมีคอลในร่างกายทุกอย่างทั้งมะเร็งทั้งอะไรจุดของหมอว่าคือไทลอยหอก็ให้มานัดมารักษา ทางเลือกคือแรกกินยาผ่าตัดตอนที่ได้อาชีพเราเนี่ยมันจะคิดมากแล้วคิดมากกว่าคนอื่นกล้ากระโดดว่าแบบได้กืนแรกถ้ามันหายก่อนที่จะนั่นได้แิ่มเข้าไปอยู่ในร่างกายได้แล่มันเป็นเลือดเลี่ยงเป็นสาลกำมะถันสีนะเว้ยมันไม่เอาไม่ว่ากินยาผ่าตัดก็ไม่เอาผ่าตับรู้ได้ยังนามาหาแล้วเราก็ยังไม่รู้โลกที่เป็นยังไงคือเราเคยรู้แต่ว่าคนถึงเป็นก็กินยา ในระหว่างนัได้เคยปฏิบัติกับค่าอาจายแล้วค่ะแล้วก็กินยาก็ถ้าใครเป็นจะเห็นว่าอายาเม็ดเล็กๆสีขาวหมอจะให้กินตอนนั้นที่กินทุกวันแล้วก็ตับาก็จะลดลดผะขับเลยเนี่ยฟังอย่างเงี้มหาพิษจะลุ่ในรัางกายแล้วมันส่งไปที่ไรลอยที่เป็นคามิดปกติหมมันต้องเป็นปกติสิหยุดกิน แต่เด็กเนี้ยเป็นคนเหมืนผู้ชายนะถ้าปัดแล้วสะตัดเลยถ้าหาหลังแล้วจะไม่นั่นเลยพูดก็แบบพูดเป็นซเนีนย พ, พูดอย่างเนี้ยคือไม่กินก็ไม่กินเนี่ยบอกหมอไม่ได้หมอก็อิกโก้นนะแต่บอกพยาบาลที่อยู่กับหมอบอกเหตุเลิกกินยาแล้นะแต่จะมาตวรวจเลือดตลอดที่หมอตัดหมอก็จะถามว่าเอออาการดีขึ้นลดยานะจากอะที่เคยเนี้ยก็กินเป็นเว้นเว้นจากนั้นก็มากินเป็นครึ่งเม็ดแล้วเว้นวันอะไรเงี้ยหายไปเรื่อยเรื่อย จนหมอบอกว่าต่อไปมาปีเว้นปีตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วคือไปก็ติดตรวเรอยแล้วก็ดีขึเรื่อยๆพอวันเ อ, อที่สุดท้ายที่หมอบอกว่าเนี่ยเป็นสองปีครั้งหรือสาปีครั้งก็ได้มาตรวจอีกทีบอกเขาเลยค่ะบอกคุณหมอครับเห็ุเริ่อง ก, กินยามาตั้งนานาแล้วแล้วล่างต้องสั่งว่าเราทํำยังไงเขาก็ถามแต่ถามอย่างเขาก็จะอยากรู้แต่เขาไม่ได้ใส่ใจมากถ้าใส่ใจมากเขาตามตามลองปฏิบัติ นิ้วเนี่ยแบ่งนถ้ามันล็อกนิดนึงเดี๋ยวมันจะเป็นอีกนิ้วหนึ่งแล้วทุกคนจะเป็นขาดปักเอ็นหรืออะไรกไม่รู้แต่เราใช้วิธีอธิษฐานเวลาอธิษฐานง่ายๆมันถอดให้ภาพเป็นยังไงเอาที่เราหา ย, ายอ่ะถ้าเห็นนี่ก็จะเห็นหายแล้วยังไม่นั่นอะไรเนี่ยให้เรามีความรู้สึ ก, กดเดินปกติทำอะไรได้ปกติของเราให้เห็นภาพตรงนั้น นั่นคือภาพสุดท้ายถูมมกไหมคะที่ใบจันต์บอกให้เห็นภาพสุดท้ายก็คือเราทํางานได้ของอาวีระที่เราควรจะทํานี่คือสองเรื่องหลักที่เด็ค่ะแล้วต่อๆมาก็คือที่วันหนึ่งแล้วเราก็เดินถ้าพี่คน่างเดินตรงไหนเขจะเคยเห็นเขาปป้าใส่ปฏิบัติที่ศีค่ะเราจะเดินเหมือนคนแบบเหมือนคนที่มันมีปัญหาที่ขาแล้วมันก็โยนตัวค่ะจำไว้เลยว่า ให้สังเกตลำไส้จริงๆพอเวลาเป็นอะไรเนี่ยแก้แก้ให้มันถูกตำแหน่งที่ถูกต้องของร่างกายอย่าไปฝืนเข้าฝืนเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตั้งใหม่นะคะมันจะตั้งแล้วมันจะเหมือนกับเราเ็ยเห็นคนจีนอะไรเนี่ยโยมลาศช้าเลยนะบางคนแ บ, บเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเนีย่ยต้องแก้ต้องรู้จักสังเกตตัวเองไปหาหมอที่ยาไทยสอนเขาก็ให้ไปหาหมอไปถึงเอ็กซเรย์เลยค่ะเอ็กซเรย์มาตรงน ก็จะเห็นป้าขาวขาวตัวข้อต่อค่ะหมอบอกค่อยต่อเสื่อมตาตาไรลนะนี่คือจิตหรือใจของคนที่เวลามีอะไรมาจากตรงเราไม่เคยเจ็เราเคยเป็นนักกีฬามหาลัยเราเคยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพายแล้วโทรพายอาจารย์อาจารย์พูดคํานึงมันเหมือนกับตัดสินลราเลยจิตเกทําอย่างนี้เรื่องมเต็แนะนําอย่างนี้แหละข่าวแต่ขมวดเทกเนี้ยคือเป็นตัวที่เขาจะไข่เปิดดัง คือาคิดจะทําอะไรแล้วอยากทจริงคือทำจะเป็นเงนที่เก็บถ้าเก็บเก็บก็คือเก็บหายเหมือนกันคือทั้งจริงบวกและจริงลบด้วยแ ล, แล้วก็ทำไปแล้ววันนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สังเกตถ้าเราเดินเป็นปกติไอ้สัแม้เราเดินเป็นปกติลายของพระอาจารย์เลยพระอาจารย์หนเดินเป็นปกติแต่ถามว่าเห็นเลขคำนวณแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเร้่ดาวสนงดาวสอก็คือถามว่าผครงสร้างตัวเองคือบางทีเนี่ยเราไม่เจอปัญหาแต่เราไม่เคยคิดว่าตรงนั้นถึงปัญหา เราิดว่าทบททดสอบที่ว่าจเป็นไม่เป็นปัญหได้แล้วก็มั่นใจว่าเวลาทํางานที่ทํางานกลางคืนนะซึ่งเป็นบอกกิบใครลอยปัจจุ บ, บันเด็กเขาทำงานเวลาทํางานงง 1, เป็นตีห้าถึงตีหนึ่งแต่เวลาจริงๆก็คือประมาณสองทุ่มกวาสองท่มคึ้นแล้วก็เบรกสุดท้ายที่ออสการ์จะเป็เที่ยงคืนกว่ากลับาจจะได้กลับบ้านตีหนึ่งกว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันหยุดเฉพาะเสาอาทิตย์ถามว่าคนทําอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำแจ็คแยร์หรืออะไรเนี่ย เมีเข้าในร่างกายคุณเนี่ยไทยลอยปัจจุบันไม่มีนี่แหละคือมหาบุตรลูกมันสมดุลอยูอ่ีกเรื่นั้นแต่ภ า, ายนอกอ่ะพระใจารบอกเนี่ยไทยเคยกินไอ้ไอ้ผงๆอะเรียกอะไรอะไม่ใช่มีอีกอย่างที่ป้ายมันเป็นหนามอะเดี๋ยวนึกออกพระจาบอกพระาบอกเนี่ยครูบาอาจารย์ชอบเลยถอยมันทั้งล้างทั้งโคนนล้างร้างเสร็จสับสับสับส บ, บ, บอาไปปั่นปั่นปั่นใสน้ำนี่คั้นออกน้ำก็จะเป็นน้ํา ผมอาจารย์บอกให้เอาน้าตาลอาขวดหนึ่งวางไว้แล้วกินกินเข้าไปมันโขมมากนะแต่ถ้าอยู่ตั้งรมเนี่ยทุกอย่างอยู่จะไม่เกรงกลัวอะไรท่านที่พร้อมใจใจเนี่ยมันพร้อมที่จะทําในสิ่งที่เป็นกุศลที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกนั้นคสิ่งที่เป็นกุศลนะถูกไหมเรียกอะไรเนี่ยให้มันแก้วหวัดอ่ะที่ก็าปลู่ไว้แล้วใช่ใช่ปลาทัเลจอย แล้วไปปุ๊บตั้งลมกินขมไม้ผมตัดแต่ว่าผมเนี่ยถ้าคุณไม่เกิดคุณจะพูดคานี้ไม่รู้เรื่องหรอกตัดแต่ว่าดูตัดแต่ว่าตัดแต่ว่านี่คุณจะไม่รู้ก็ขมก็หายเอ้ยอยู่ๆไปไมันมันขึ้นแล้ามขมมันขึ้นมาที่คนลิ้นน่ะก็เลยหยิบ น, น้ำาลเข้าไปอมคือเพื่อที่จะให้มันแบบไปโกบอแตจริงๆความขมมันยือแต่รสน้ำ ต, ตาล ม, มันหวานหวานใ่ไหนถ้าในแง่ของคำศ ที่เป็นแฟตคือเป็นอย่างนี้แต่มันไม่หายผมหรอกก็อยู่อย่า ง, งานั้นกินมาสองหรือสามปีที่บ้านเนี่ยจะมีต้นเองนเนี่ยขึ้นเต็มเลยแล้วมันขึ้นเร็วมากนะถ้าไม่ถอนนันเนี้นยเอาทั้งร่างคนมาสับสับสบสบเอาน้ําใส่บริเนกปั่นปันใส่ผ้าขาวบางดี k h ันเนี่ยเก้มปีแรกผ้าจาย์ทําให้กินแล้วก็ให้คนทิ่ไปด้วยกันกินกันคนแต่แล้วบอกว่าอันเนี้ยมันจะไปช่วยมันเป็นยา อยุงจะไม่กลับแตอยู่ก็กลับเราเนาะเพราะว่ามันมันมันตามด้วยคลืนความร้อนเราเป็นคนตัวอุ่นไงมันไม่ไดเกี่ยวกับเลือดหรอกเราคนตัวเย็นอ่ะยุงมันไม่กลับหรอกมันจะมาจากขึ้นความร้อนเห็นที่ดักยุงไหมเป็นความร้อนเห็นไหมนั่นแหละนี่คือถ้าเราเรียนรู้ศาสาสนาแล้วทุกทุกอย่างมันชีวิตประจำวันแล้วเราจะตอบได้เลยเราเห็นอันนี้มันจะลิ้งๆมันเป็นเรื่องเดียวกันก็ปวดฟอมนิดเดียวเองแล้วมันจะเข้าใจไปจากที่ไหนวันหนึ่ง จะพูดคํานี้เหมือนกับเด็เมื่อก่อนเนี่ยสัมภาษณ์อาจารยก็ไม่ไม่ตระหนักไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเข้าใจด้วยเหตุนั้นแบบเรามองหน้าบางครั้งเรารู้ได้ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรหรือเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราอยากเราจะบอกให้เลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เน้่ยฐากติกกติกน้ำโอปอไม่ใชานกติกน้ำโอปอจะอยู่ในเหตุการณ์ทั่นเนี้ยเขาบอกว่าก็หา ขึ้นมาคือมันมาจากใจไงตอบไม่ได้เหมือนกันบอกมันอยู่ในรถแต่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่บอกพี่แนทเอกมาเนี่ยเาาี่แ เ, เห็นนะ่ะเห็นอยู่ตรงนี้ไปบอกมันอยู่ในรถอแต่ว่าไม่เชื่อก็เลยมาหกันเสร็จหาที่สุดมันเป็นมาอ่านวิญญาณไแล้วอยู่ในรถจริงๆถามว่าพูดเสีรือไม่ใช่ใจจากขึนะ้นอ่ะมันส่งมันกระทบใจเราไงคะ่ะแล้วตอนพอกระทบใจเนี่ยตากเราถึงพูดออกมา ไอ้พวกหมอดูต่างๆที่จะไปรตอนแหล้งนัแต่ถ้าฝึกตอนนี้ต่อไปเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันจะออกมากจบแต่แล้วออกมายังไงยังไงโดยที่เราไม่เราไม่ต้องมาเสียใจว่าเป็นหรือไม่เป็นมันจะทันทีเสี้ยววินาทีต้นๆตถึงเข้าใจพระาจารย์ที่พระอาจารอกมันนะมาฟังเนี่ยฉันเนี่ยคือแบบเสียจนที่หลับนะคือพูดไปมันคืออะไรในอีกครอบคลมอย่างเนี่ยมีจริงอยู่แต่เราไม่รู้ไง เขาสามารถที่จะทํางานได้ขึ้นโทรศัพท์ขึ้นวิทยุไม่เห็นดีเลยทําไมมันทํางานได้ครับในีตยตัวรับส่งนั้นตัวเราเนี่ยเป็นทั้งตัวรับและตัวส่งในขณะเดียวกันเราอยากคิดว่าเรารับไม่ได้เรารับได้อย่างพระอาจารย์เวลาท่านมาพูดเนี่ยท่านเตรียมมาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านจะมาดูขึ้นจากพวกคุณนั่นแหละจากการทของพระอาจารย์เองว่คุณสงสัยอะไอาจารย์จะขมวดคบแล้วพูดแล้วมันถึงถูกใจถึงใจทุกคนค่ะ นั้นสรุปตั้งลงไปฝึกมาให้เป็นขั้นตอนอย่าข้ามขั้นไม่ต้องไปถามใครเมื่อพระอาจารย์บอกแล้วไปทำตามขั้นตอนนี่ยเพกโชคดีทักใครมาคะที่แล้วจำคุณโน้ตได้ไหมคะคุณหน้ที่ออกมาพูดเหตุไปฝึกแล้วพิรุกก็เป็นเสดที่ก่อนหน้านั้นปีสองปีแล้วก็อยู่ในห้องแล้วก็คุบอกคุเพกเวลาพระอาจารย์สอนอะไรทําไปเลยนะนั่นแหละถึงบอกทุกคนเวลาม า, าตั้งนั่งตั้งลงทําไปเลย เราทำไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลไงแต่มันเป็นคนที่เหมือนน้ำเดือดอะ่ะเหมือนจิ๊ซออ่ะมันอาจจะยังไม่เป็นรูปตรงนี้แต่แ ต, ต, ต, ต, ต, ต่แต่นนออแต่แต่แม่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แว่แต่แตาแต่แต่แต่แี่แต่กต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ที่แตออ่แต่แต่แต่แต่แา่แต่แต่แต่แต่ทําแต่แากแ้วฟต่ที่แต่แต่แต่แต่แต่แ ล, แ ล, ออลนะอต่อต่แต่แี่แต่แต่แต่แต่แต่แต อันนี้จะเกิดขึ้นในใจทุกคนเรียนมาจากครูมาอาจารย์มาทุกคนให้มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นั้นนั้นแต่ไม่จําเป็นเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติมาตามน้ำแล้วเรายังไม่เกิดผลมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นสุขนะใช่ไห ม, มที่ชวเนเสียงไปปฏิบัติที่ปไปและท้าที่สุดกลับมาอีหลอดเดิมนินทาเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมช่างเมา อ, อะไรอย่างเงี้ยคือไปเที่ยวสอแต่หาหาเรื่องมนถือมันจะพูดนี่เอามานี่วนนันเนี้ฉันนัทลักษ คือไม่พูดอะความผิดของตัวเองปิดไว้หรือถ้าพูดก็แทนทันที่สิ่งทําให้รู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ให้เขาเบรนตัวเราแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลแล้วเราค่อยเขาหให้กลับมาหาเหตุซึ่งมันทําไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเปยกับที่ที่เราเคยเคยไปศึกษามันเป็นผลและให้กลับม า, ามันทําไม่ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยสอนตั้งแต่เหตุแล้ให้เกิดผลผลบางอย่างเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอามันก็ เกิดขึ้นเหมือนกับที่เห็นบอกว่าเมื่อตั้งลงจ น, นเสถียรจนเป็นปกติแล้วเนี่ยมหาภูตารูปในร่างกายเนี่ยมันสมดุลเองโลกมันก็จะไม่เป็นทนี้ถ้าสมมติว่าด้วนี่กรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ฝึกกระชายยารือาเป็นเรื่องสัตว์ตัวดีแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นเป็นถ้าจะเองเป็นเนี่ยรู้สึกขาดๆเลยเข้ามาดูไปเปิดในกูเกิลอะไรก็ได้ยูทูปเป็นอณุโตมีเดี๋ยวนี้สบายมากเลย ถาตรงไหนที่มันเป็นตรงกับโอเอวะตรงไหนถามก็เอาขึ้นมตรงถามนะแต่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่ที่เป็นอยวกแล้วก็เหมือนกับมันหมุนอยู่วกพลังที่เราจะเนี้ยซึ้นามาันมุแล้วก็เอาลงไปถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรก็ตามที่ใต้เอวให้ลงนะคะทั้งล่างแต่ถ้าเหนือเอวขึ้นมาแค่นี้นั่นแหละถ้าอาจารย์สอน จุดที่เป็นจุดสตาร์ทของที่ตรงใจอ่ะแล้วมันสร้างพลังขับเคลื่อนได้ทุกอย่างให้ไม่ใช่สอนแตครอบูมิมนี้เคยมีใครสอนในครอบภูมหน้าด้วยไหมที่เป็นเซฟวิ่งถึงคุณไม่เซฟวิ่งถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้คุณเป็นเศรษดีอ้อมทนะั้งอธิบายให้รู้ว่าคุณสร้างรหัสเอทอที่จะเบิกไปยังไคแต่ขึ้นอยู่กับคุณทำไวมถ้าคุณไม่ทา คุณก็ทําไม่ได้เพราะที่มาหลังคุณก็ทําได้เห็นผลแต่คุณจะอันนี้ท้อซะก่อ น, ม, น, า ม, านมันน้นกําลังจะเดือด้ว ก, กลับมาเรียนใหม่อะไรเนี้ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าการเป็นสิษยที่แบบประกาศเป็นศิษย์ท่านอาจารย์แล้วได้ประโยชน์อะไรตัวเองก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรติดตามไปจากทบภูมหน้าครูบาอาจารย์ก็ใช้หลัเก็เนี่ยที่เห็นทําได้เลยแล้วก็โม้ไปเรื่อยๆไม่ต้องโมกับใครทำให้ได้ให้เห็นผล ไม่ต้องไปบอกใครเลยว่าลูกหรือคนอข้างๆสามีภรรยาหรือญาติเมื่อคุณทําได้คุณมั่นใจแล้วคุณประกาศประกาศเรื่องเรื่องที่ทําได้ไปตลาดปุ๊บนั่งกันอยู่ในรถเดี๋ยวต้องมีที่จอดมาให้ลองพอออกจากบ้านฟ้าึ้นไปหมดเลยเมื่อฉันออกจากบ้านฝนต้องไม่ตกจะตกเมื่อหลังจากที่ฉันเข้าออฟฟิศแล้วสิ่งเนี้ยเด็กขมากที่บ้านเดี่ยจะเห็นี่เห็นฝนจะตกแล้วนะ อะเงยบอกเราก็ประกาศออกมาแต่เขาก็เห็นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถ้าที่ออกจากบ้านฝนต้องหยุดแค่นี้แล้วก็สอสามครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดจากการพิเศษการที่เราเพียงทำนะคะนั้นให้กำลังใจกับทุกคนเพียงทำแล้วจะช่วยชาติจาติต่อไปเนี่ยถ้าคุณทำได้ท่านอาจารย์มีวิชาเยอะมากแล้วท่านจะเพิ่มวิชาแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกว่อุ้ยจะไปหาท่าอาจารย์ได้ที่ไหนฉันไม่ต้อง คุณทําของคุณกระแสอันเนี้ยเพื่อนอันเนี้ยมันจะไปกระทบท่านเองแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาสอนต่ อ, อยอดท่า <c oughs> หรือไม่ก็จะเจอเพื่อนหรือว่าลูกศิษย์คนอื่นหรือแม้แต่รุ่นหลังเราที่เขาทาก้าวหน้าแต่ยวเขาจะมาบอกเราดิเขาไม่ใช่เราไปน้องๆพี่ๆก็อาจจะมาแนะนําเหตุไม่ได้ว่าเนี้ยทําอย่างนี้สิฐานแต่ฐานรู้ัหมว่าใช้ประโยชน์เยอ่นะอิดธิฤทธิ์ต่างๆการห า, า, ายตัวกันนี่แต่ ไม่หมริงแต่เรายัไม่รู้จักพระอาจารย์ก็ถามให้มันคิดถาคาถาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะต้องสแกนเร็วมากถ้าเราพูดต่อไปปุ๊บมันจะพู๊บปุ๊หายใจเข้าเนี่ยสถ า, ถาตังาง้งลมคถาออกค่อยค่อยพูดเป่าตรง น, นี้แหละนี่แหละคือเห็นไหมไปพูดค า, าถาคาถอาสมองเวทอ่ะไม่รู้เปนเปล่าอะไรไม่ได้ดูถูกนะ จริงหรือไม่จริงก็มันลใจจริงนี้ออกจากปากเราออกจากใจออกจากใจที่เป็นมหาบุญส่้นเพราะลองถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาทุกวันทุกเวลานั่งในรถอ่ะปากเลยน้ำโมจัดจักร ใ, ใจน้นวโมจัดจกรวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะทุกอักข ร, รอยู่เราอยู่เดียวที่เราไม่ต้องไปตรวจซ้ำอักขระให้ถูกฐานปอนในใจมันเกิดเวเบีชั่นต่ออวัยวะต่างๆอย่างถูกต้อง พระอีกมาห death, ังพันเจพระขวัต no อัปปะพาวัง no ตุงหากันบาลิจจทามิสข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภกชาตินี้เ no ป็น no สุขภูมชาผูดสามครั้งข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภกชาตินี้เป็นสุขภูชาข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภกชาตินี้เป็นสุขอย่าถามว่าทำดกครั้งทากี่ครับงก็ได้ที่คุณพรนะครับต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาถามสวดมนต์อะไรเมื่อใจสุดพร้อมคุณทำแต่อย่าทําด้วยการบังคับ เข้าใจถึงไม่พอแล้วมันก็จะเกิดปฏิทะโดยปริยาที่คุณไม่รู้ตัวนั่นค่ะให้เกิดเป็นมหากรรมฐานแม้แต่กวดศุภะให้พ่อเทวดาบางคนอาจจะยังไม่แต่ต่อไปก็จะได้ซวยาเทวดาอยู่ในรัอน์หายใจหลังยาเทวาตั้งสี่หิือหาระวาสิราตรวจของเราไปตรวจตามฐานความให้ถูกต้างอัครรอเรือรอลิงอ่ะพูดในชีวิตประจำวันให้ถูกโบราณก็สอนให้ถูกเพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกาย แต่เราไม่เคยรู้ที่มาที่ไปว่าพูดรอเนรชพูดรอลิงชัดแล้วได้อะไรเราก็ไปตามสขั้เพราะถ้าอ้าก็อย่างนี้ถ้าแอก็อย่างนี้แต่ทำไนภาษาไทยเราไม่สนใจอ่ะถ้ราะใจมนมีอีกเยอะขึ้นชนชาติไทยที่รวมถึงใว่าอย่างเหมือนที่จะบอกทุกคนไอยว่าจําไว้เลยว่าวันชาติไทยวันชาติของคนชาติไทย แม้แต่ประเทศไทยตันนี้ก็คือชนชาติไทยคือวันที่13เมษายนซึ่เป็นวันสงำคัญวันนั้นเราถึงเป็นวันที่มหาสุทรเราต้องเป็นล้นน้ำดำหัวแต่ตัดอยู่กับพ่อแม่ผู้มีบุญาคุณเราไปเราไปเห็นไทยที่ไหนีคือเพลงของการนั่นคือชนชาติไทยไปอยู่นานเราก็เจอยู่นานก็คือคนไทยเวียดนามก็คือไทยเวียดที่พจะจ้าให้ความรู้มาลาวก็เป็นไทยไทยต้อไทยอะไรใช่ไหม แต่แบบเป็นกลุ hmm. yeah. well, then, ่มเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยราจะสนุกมากกับสิ่งที่รอกข้าวและข้าวฝึกต่อไปเรืเราสามารถข้ามควบคุมได้อยากไปเชื่อศิสนุกที่ไหนครูบาอาจารย์ลอยตอนนี้เราเจอครูบาอาจารย์ที่มีกใจดีแล้วคือาอาจารย์ขึ้นมาจะควบคุมไหนเราไม่แต่ต่อไปถ้านจารกับครูบาอาจารย์ลอเราอยู่แตอีกควบคุมที่ไหนทําให้เป็นปกติแล้วทุกอย่างโลคภัยมันไม่มี เป็นดักป้องกันใช่ป่เป็นการป้องกันเกิดทำไมเราจะต้องไปร้อนให้มันเกิดแล้วเราเป็นทีเสียเราจเราไม่เราไม่เป็นอะไรเหยาพูดว่าเป็นอะไรเวลาใครถักจะเป็นอะไรยิ้มเลยเดอเราก็ตอบคนเราไม่เป็นอะไร